หารสที่อร่อยมากินหาสัมผัสที่สะอาดอบอุ่นนุ่มนวลและสวยงามมาให้กายและหาความบันเทิงใจต่า ง, า ง, างเช่นการดูหนังดูละครการชื่นชมงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆตลอดจนการได้มีได้เป็นต่างๆเช่นได้มีบ้านที่สุขสบายสวยงามมีเครื่องประดับตกแต่งมีครอบครัวที่อบอุ่นมีงานที่ดี